ทางใค ร, นรเนยร์ดได้พอสมควรเนาะวันสองวันนี้ก็ได้ลุยขึ้นเขาลงห้วยจริงๆเดินก็ไกลพอสมควรอาจะเนิ่์ดได้กันบ้างแต่พอในพักเนาะมันก็ฟื้นตัวร่างกายของเราพ อ, พอได้พักผ่อนสักหน่อยมันก็ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่มีแรงกลับขึ้นมาใหม่ มันก็เป็นเราก็เรียนรู้นะบาทีความเหนื่อยมันก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งพอได้พักมันก็หายมีกำลังกายที่จะเดินต่อไปแต่ที่สําคัญเราเหนื่อยใจไหมนะเวลาเจอกับอุปสรรคนะหรือว่าเจอกับสิ่งที่ทําให้เกิดความท้อถอยหรือว่าคิดว่าเป็นข้อจํากัดนของเราเองนเรามีความเหนื่อยใจหรือเปล่านะ แต่ถ้าสังเกตดูนะเ อ, อมันเป็นความแค่เหนื่อยกายแต่ใจเรายังไหวอยู่แต่เพียงแต่ว่าบางทีร่างกายมันไม่ไหวมันไม่พร้อมนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเราดูดีบางทีกำลังกายของเรามันก็มีแต่บางคนก็ถอดใจซะก่อนนะจนไม่สามารถจะทำนะหรือไม่สามารถที่จะเรียกว่าสู้ต่อไปได้เพราะว่าใจถอดก่อนนะแต่ถ้า ใจไม่ถอดนะกายก็พร้อมที่จะสู้ต่อไปได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกำลังใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะแต่มันก็ต้องคู่กับรางกายด้วยนะบางทีจะฝืนร่างกายเกินไปก็ไม่ถูกเพราะว่ากายใช้งานมันมากมันก็โทรมก็พังได้นะมันลดมันลาอาจจะใช้ไม่ถนุถนอมไม่ดูแลรักษา ก็ยอมผุพังหรือว่าเสื่อมไปได้อย่างรวดเร็วเนะันก็ต้องทำให้มันพอดีก็พูดกันไปแต่ก็หมันก็เป็นสิ่งหนึ่งถ้าแต่ธรรมชาติของกายเนาะถ้าได้พักนะถ้าได้พักบ้างมันก็ดีที่แต่จริงธรรมชาติที่ควรจะได้พักอย่างมากๆอีกอย่างคือธรรมชาติของจิตนะจิตถ้ามันไม่ได้พักเลยเนี่ยมันยิ่งเหนื่อยกว่ากานะ บางทีแตก่กลางวันนี่ก็คิดฟุ้งซ่านหรือว่าเสวยอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างอารมณ์ต่างๆนานาบ้างกลางวันก็ไม่ค่อยได้พักเพราะว่าโดนอารมณ์หลอกล่อไปมากมายตสารพัดพอไม่รู้ทันก็เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีใจเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยจิตไม่ได้พักกลางคืนก็กลายเป็นความฟุ้งเฟิงเป็นความฟัน น, นอนหลับพักผ่อนก็ไม่ค่อยได้พักเพราะว่าฟันนั่นฟันนี่นะ นอนมากขนาดไหนก็มิสิทอิ่มมิรู้จะพอเนี่ยจิตเนี่ยมันถ้าไม่ได้พักเลยยิ่งเหนื่อยกว่ากายอีกนะเพราะว่ามันเป็นความสะสมนะสะสมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสะสมเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีนะก็เมื่อยล้านะจนกระทั่งไม่มีเรียกว่าไม่มีเรี่ยวแรงที่จะออกจากความคิดความปรุงแต่งหรือว่าออกจากอำนาจกิเลสตัณหาได้อันนั้นเรื่องของการ ให้จิตเขาได้พักเนะี่ยเป็นเรื่องที่ที่สำคัญมากนะเป็นเรื่องที่สาคัญมากเร่งเราต้องฝึกหัดกันนะมีมีตัวอย่างหนึ่งนะมีมีผู้จัด ก, การนะที่นผู้จัด ก, การใหญ่นะที่เรียกว่ามีกิจธุระมากมายนะมีนัดประชุมบ้างวันหนึ่งก็หลายนัดมีคนมานัดพบบ้างนะเป็นลูกค้าอ่านะหรือว่าเป็นบริษัทที่ติด ต, ต่อกัน หรือบางทีก็มีนัดสัมภาษณ์จากนิตยาสารจากโทรทัศน์ต่างๆเป็นแบบนี้เป็นเวลาหลายปีแล้วเพราะว่าเขาเป็นคนที่เก่งคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจมากมายนะแต่เลขานุการก็เห็นเอเจ้านายเราเนี่มีงานหนักทำกันทุกวันเหนื่อยเหน่อยเนาะเดี๋ยวเราจะลองนัดให้กับเจ้านายนพิเศษสักหน่อยนะก็ จดตารางนัดให้เพราะาเด็กบางีเจ้านายก็ไม่รู้หรอกเขาแต่ละวันเขาจะพบใครบ้างเขามีเลขาเป็นคนบอกให้ก็มีชั่วโมงหนึ่งเนีก็เลขาก็บอกว่ามีมีคุณว่างนะนสุกุลสงบรอพบคุณอยู่นะก็เชิญเจ้านายไปในห้องรับแขกเหมือนเดิมพอเข้าไปแล้วก็เอ๊ะก็แปลกใจคุณว่างนาสกุลสงบนี่เราไม่เคยรู้จักเลย เ็เป็นใครก็ไม่รู้ก็นั่งรออยู่ในห้องนะเป็นห้านาทีสิบนาทีไม่เห็นไม่เห็นคนที่จะพบเข้ามาหาก็เลยโทรถามเลยคาว่าทำไมไม่เห็นเข้ามาสักทีอ๋อก็เนี่แหละก็คือคุณว่างก็คือเนี่ยแหละว่างไม่มีใครมาพบนะให้เจ้านายได้พบกับความสงบในการได้พักว่างนะเจ้านายก็อ๋อเหรอชั่วโมงหนึ่งเหรอเออดี พอผ่านไปชั่วโมงหนึ่งรู้สึกติดใจบอกว่าต่อไปเธอนัดกับคุณสงบนัดกับคุณบ้างะให้กับเราบ่อยๆนะเพราะว่าเราพบกับคนมามากแล้วนะพบกับงานมามากนก็ติดใจการที่ได้พบกับความว่างๆว่างจากการต้องคิดต้องการพบประผู้คนนะสงบใจที่ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการงานบ้าง หรือวุ่นวายกับอารมณรงแต่งบ้างนะก็เป็นเรื่องที่เออบางทีคนส่วนใหญ่นะแต่อาจจะไม่ใช่พวกเราที่สนใจในเรื่องนี้คนสนใจในทางโลกก็วันวั น, ว น, นึงก็เรียกว่าการงานยุ่งเหยิงสับสนไม่ค่อยได้พบกับความว่างนะจากการงานหรือไม่ค่อยได้พบกับความสงบจากจิตใจสักเท่าไหร่เพราะว่าชีวิตมีแต่ความวุ่นวายมีแต่การงานมีแต่ธุระมีแต่กิจอะไรต่างๆมากมาย การที่เราได้ให้เวลากับตัวเองได้พบกับความว่างความสงบนะหรือชีวิตที่เรียกว่าไม่วุ่นวายมากก็เป็นเรื่องที่ถ้าเราจัดการได้นะเราก็พึงพิจารณานะได้พบนะตรงนี้แล้วจะรู้สึกว่าอ้อที่จริงมันเป็นความสุขใจที่ง่ายเองนะความสุขไม่ต้องเกิดจากอะไรเพียงแค่ได้อยู่กับความว่างนะอยู่กับความสงบเจ็ช่วงระยะใระยะหนึ่งก็ดีหรือว่า นานต่อเนื่องก็ดีก็แล้วแต่แต่ถ้าจะสังเกตดีๆความว่างบางทีมันก็ไม่ใช่เกิดจากการที่เรียกว่าไม่มีอะไรทําเท่านั้นนะไอ้ว่างแบบนั้นมันต้องจัดการเนาะมันต้องจัดการต้องมีแผนซึ่งก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีการงานเยอะนะมีช่วงที่ว่างต้องปีกผู้คนบ้างแต่บางทีคนถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่ค่อยว่างนะ ไม่ค่อยครบกับความสงบนะอาจจะว่างจากงานแต่ความคิดอาจจะฟุ้งซ่านไม่สงบก็ได้เพราะว่าไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ของใจนะพอว่างแล้วเมื่อไหร่จิตใจก็วุ่นวายสับสนนะคิดถึงผู้คนคิดถึงการงานคิดถึงเรื่องราวต่างๆมากมายแต่พอเรามีกรรมฐานในสักอย่างหนึ่งเช่นดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวหรือรู้ทันจิตใจอ๋อจิตใจก็จะพบกับความสงบตรงนั้น อาจจะว่างจากการงานต้องทําอย่างอื่นแต่เราไม่ว่างจากงานทางจิตก็คือการคอยเรียนรู้ในการดูกายดูใจอยู่เสมอตอนนี้อาจจะทําให้เราพบกับความสงบนะไม่ใช่เพียงเขาว่างเพราะไม่มีงานทําแล้วมันจะสงบเองอันนั้นอาจจะเรียกว่าเออเวลาสำหรับบางคนมันเหมือนกับคล้ายๆได้พักเนาะได้พักกับอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็สงบได้เพราะว่าคิดวุ่นวายมามากก็อาจจะเรียกว่ามันมันวุ่นมามากนะมันก็เลย มันก็ยังมีเรียกว่าสิ่งที่วุ่นกับสิ่งที่ว่างนมีช่วงที่วุ่นวายกับผู้คนกับการงานแลจะมาพบกับความว่างบ้า ง, างในช่วงขณะแต่ถ้าเราทํากรรมฐานนได้ดีจริงๆจะพบว่าชีวิตแม้จะพบปะกับผู้คนก็ดีพบปะกับการงานก็ดีนะหรือต้องเกี่ยวข้องกับอย่างอื่นก็ดีหรือว่าจะต้องอยู่กับตัวเองจริงๆอยู่กับคนเดียวอ่า ไม่มีผู้คนมาเกี่ยวข้องไม่มีการงานมาเกี่ยวข้องเราก็สามารถพบกับความสงบได้พบกับความว่างได้เช่นเดียวกันเพราะมันว่างที่ไหนว่างที่ใจของเราเนี่ยแหละว่างที่การที่ไม่ปรุงแต่งนะว่างที่การรู้ทันการปรุงแต่งนะเมื่อรู้ทันการปรุงแต่งแล้วจิตก็พบกับความสงบจิตก็ว่างว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่าง บางเปล่าจับสังคาญที่ปรุงแต่งจิตต้นนี้แหละนะตรงนี้จะถึงจะเป็นความว่างหรือว่าเป็นความสงบที่เรียกว่าที่แท้จริงเนาะนะถ้าเราฝึกตรงนี้ได้อ๋อจะพบว่าความสงบหรือความว่างไม่อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่การรู้จักรู้เท่าทันกายแล้วรู้เท่าทันใจรู้เท่าทันการปรุงแต่งของจิตแล้วก็ไม่ให้จิตมันโดนปรุงแต่งนะหรือถ้ามันยังไม่ปรุงแต่งเราก็อยู่กับกรรมฐานส่วนใดให้เป็นเครื่องอยู่ไว้ มืัมนปุงแต่งแล้วก็รู้ทันมันก็กลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวจิตก็ว่างจากความปรุงแต่งแล้วอันนี้เป็นความว่างที่สําคัญมากแล้วก็พยายามฝึกฝนกันเยอะๆนะนะฝึกฝนกันเยอะๆแล้วก็ตอนไปที่มืองจีนนะมีผู้จัดการ ผ, ผู้จัดการใหญ่นะน็อ Fa ฟสที่มืองจีนนะเขาเคยมาเขาก็เคยมาเข้าคอร์สด้วยคอร์สหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ พอวันสุดท้ายวันประเมินผลเจ็ดวันก็บอกว่าไม่เคยคล้ายๆรู้สึกไม่อยากกลับไปทำงานเลยเพราะเพราะว่าถ้ากลับไปทำงานก็ต้องพอเป็นผู้จัด ก, การใหญ่นะภาระต่างๆมากมายนะต้องวางแผนในการจัด ก, การผู้คนในการบริหารงานอะไรต่างๆมากมายชีวิตเจ็ดวันที่ได้มาภาวนาเนี่รู้สึกเป็นชีวิตที่แบบวางภาระต่างๆมากมายเนยะ บอกเป็นชีวิตที่ไม่เคยเจอแบบนี้มามาหลายปีแล้วนะเพราะกว่าจะไตเต้าเติบโตนะเชิงทางเป็นผู้จัด ก, การใหญ่ต้องเรียกว่าต้องทำงานหนักต้องเรียกว่าต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนมากมายพอชีวิตมันได้ว่างบ้า ง, างนะไม่ต้องจัดการอะไรมากเพราะว่าพอเขาพอแล้วก็เออมันก็มีเวลาตื่นกี่โมงนะฟังธรรมกี่โมง นั่งปฏิบัติตอนไหนเดินปฏิบัติตอนไหนนะกินข้าวตอนไหนเขาให้นอนที่ไหนก็เรียกว่าให้คนอื่นมาจาัด ก, การกับชีวิตของเขาบ้างแต่ก่อนพอเป็นผู้จัด ก, การนี่ต้องไปจัด ก, การชีวิตคนอื่นมากมายจัด ก, การงานมากมายคราวนี้เจ็ดวันนี้ได้เรียกว่าให้คนอื่นมาจาัด ก, การชีวิตชีวิตว่างจากการใช้ความคิดในการจัด ก, การสิ่งอื่นนะก็เลยรู้สึกเออเกิดเป็นความสบายติดใจไม่อยากกลับไป ทำงานอีกแล้วเนะีเพราะว่าที่จริงพอไปจัดการมากๆมันใช้ความคิดมากนะมันใช้พอใช้ความคิดมากก็เหนื่อยก็ล้านะแต่พอลดการจัดการนะคนอื่นหรือลดการจัดการตัวเองนะได้มากชีวิตก็เบามันก็ว่างนะมันก็ว่างมากขึ้นแต่ที่จริงใน <c oughs> เรื่องแบบนี้ันจะให้คนอื่นมาจัดการชีวิตเราเนะี่ยคอยบอกคอยให้เราทำอะไรต่างๆทั้งหมดมันอาจจะ เป็นไปได้แค่ช่วงขนาดหนึ่งนะอาจจะเป็น ไ, ปไม่ได้ตลอดไปหรอกเพราะว่าการที่จะมาเข้าคอแล้วนะคนอื่นจะการให้ก็จริงแต่คนที่เป็นคนจัดเขาก็ต้องไปจัดการกับการงานหลายๆอย่างซึ่งก็เรียกว่าเป็นภาระนะแต่บางทีชีวิตก็ถ้าเราลองพิจารณาดีชีวิตที่ไม่ต้องจัดการกับอะไรต่างๆมากมันก็ดีนะมันก็ทําให้สมองมันก็ได้เบามากขึ้นนะ แต่เบามากขึ้นนะบางทีเราก็ไปจัดการภายนอก เ, อเยอะนะจัดการเพื่อให้มันลุกเป้าหมายมารนลุกแผนงานหรือประสบความสำเร็จอะไรต่าง ๆ, ๆมากมายต้องไปทั้งจัดการดิ้นดนตนเองนะพัฒนาตัวเองสูงขึ้นหรือว่าจัดการภายนอกให้เป็นอย่างที่แผนที่เราต้องการวางไว้นะมันก็เหนื่อยแต่จริงแต่งานภายนอกหลายๆอย่างก็ต้องใช้แบบนั้นเช่นเดียวกันแต่บางทีนะ มันก็เหนื่อยก็ล้าหรือว่าก็ทุกข์ก็เครียดกับการจัดการทั้งภายนอกและภายในมากเกินไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เป็นความพอดีระหว่างการจัดการแบบไม่ทุกข์นะไม่ใช่ว่าการจัดการมันผิดโดยตัวของมันเองนะแต่เพียงว่าการจัดการแบบไหนที่จะไม่ทุกข์ใจการจัดงานแบบไหนที่จะทำไม่ให้เกิดปัญหาเดือนต่อไปเพราะบางทีการไม่จัดการเลยก็อาจจะไม่อาจจะไม่ถูกนะในหลายอย่าง เวลาเรามีการงานต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนพอไม่มีแผนไม่มีการจัดการมันก็นุวายสับสนใช่ไหมอันนั้นการจัดการและการไม่จัดการอาจจะจะไม่ให้คําตอบที่ถูกต้องในแต่ในแต่ในทุกเหตุการณ์นะแต่บางทีในแต่ละเหตุการณ์มันอาจจะมีคําตอบเฉพาะของแต่ละของแต่ล ะ, ละบริบทนะแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่าก็คือว่า จะจัดการแบบไหนหรือไม่จัดการแบบไหนมันถึงจะเกิดไม่เป็นปัญหาหรือไม่เป็นความทุกข์ใจอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญมากกว่าทําอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์ใจแต่ต้องวางแผนไหมหรือไม่ต้องวางแผนอะไรทําแบบไหนแล้วไม่ทุกข์ใจไม่กังวลใจเกิดความเบาใจขับกันอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําคัญมากถ้าเราได้พิจารณาชีวิตนะชีวิตของเราก็มีบริบทมากมายที่ต้องเกี่ยวข้องกับการงานต้องเกี่ยวข้องกับผู้คน ต้องใช้เวลาในหน้าที่ต่างๆหรือเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆถ้าเรารู้จักว่างรู้จักวางบ้างบ า, างอย่างมันก็เกิดเป็นความเบาหรือบางทีก็จัดการบ้างบางอย่างเพื่อให้เกิดความมั่นคงแน่นอนเพื่อเกิดความสะดวกสบายชีวิตมันก็จะเรียกว่าอ้อมันก็เรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายกับความวางใจได้กับทุกสิ่งทุกอย่างวางใจเพราะว่าปัญหามันน้อย วางใจเพราะว่ามันทุกข์มันน้อยหรือว่ากระทั่งไม่มีทุกข์นะต่อตรงนี้ไปนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ดูไปนะแต่บางทีหลายสิ่งหลา ย, ลายอย่างเราก็ต้องเรียนรู้จากการที่เรียกว่าเรียนรู้ในการอยู่กับเหตุปัจจัยเนาะเพราะที่จริงหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราก็ไม่สามารถ จ, จัดการได้จริงๆหรอกแม้จะมีแผนเช่นไรไม่ตั้งใจจัดการเช่นไรแต่ความเป็นจริงแล้วก็ไม่สามารถจัดการได้ เอาง่ายๆอย่างตัวอย่างเวลาเรามาเดินขั้นรงก็ดีเนี่ยแหละเรามาเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่เรียกว่าไม่คาดอ่าไม่คาดฝันก็ได้นะแต่ที่จริงก็คือเรียกว่าเรียนรู้ในการอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เอาตั้งแต่ตอนจะตื่นนอนเนี่ยแหละนะบางทีก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าจะตื่นเพราะว่านอนนอนดับอิ่มแล้วตื่นหรือว่าความหนาวคุณหนาวมาปลุกเราให้ตื่นขึ้นมานะ มันก็ตื่นขึ้นมาของมันนะอย่างเมื่อคืนนี้ก็หนาวเนาะเ อ, อก็ความหนาวปลุกตื่นขึ้นมาบางวันนอนอุ่นนะก็ความความอิ่มในการหลับเขาก็ปลุกเราขึ้นมานะตั้งแต่ตอนตื่นนี่แหละก็ไม่สามารถค้างได้แต่ถ้าเราอยู่บ้านมีผ้าห่มพอมีห้องดีๆก็สามารถเรียกว่านอนได้อุน่นนอนได้อิ่มแทบทั้งคืนถ้าไม่ใช่เป็นพวกที่เรียกว่าคิดมากดับฝันจนกระทั่ง นอนเท่าไหร่ก็ไม่พอแบบนี้เนาะเนี่ยเี่ยเราก็ไม่สามารถคาดการได้นะไม่สามารถจัดการได้หรือแม้แต่เรื่องบินทบารเรื่องอาหารการฉันก็ไม่รู้ว่าแต่ละวันจะได้ทานอะไรจะพอไหมจะอิ่มไหมจิตถูกปากหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นพวกเราถ้าเป็นคารวาสก็อาจจะเรียกว่าเ อ, อ, อยากจะกินอะไรก็สามารถสั่งได้หรือแม้แต่เป็นพระอยู่ที่วัดประจําของเราเองเป็นแม่ชีก็ดีบางทีก็ มีเมนูที่สามารถจัดการได้หรือรู้แน่ว่าอิ่มแน่นะหรือว่าสบายแน่แต่พอเวลาเราทุ ด, ดงเออมันมีความไม่แน่ที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเราก็พร้อมที่จะรับมือกับทุกสิส่งทุกอย่างเนาะเออมันมีก็มีเท่าไหร่ก็ฉันเท่านั้ น, นอดบ้างอิ่มบ้างนะก็ตามเหตุตามปัจจัยไปอยู่ตรงนั้นไปหรือแม้แต่การเดินทางก็ดีแต่ละวันก็บางทีก็ไม่รู้หรอกเดินทางมากน้อยขนาดไหน เพราะที่จริงคนนําทางก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินสักกี่กี่โลนะจะขึ้นเขาจะลงห้วยนะทางจะทางจะเรียบหรือทางจะอ่าขึ้นเขาก็ไม่เคยรู้เท่าไหร่เพราะว่าเราก็กําหนดเส้นทางตามแผนที่หรือบางที <c oughs> ซึ่งเรียกซึ่งการเดินทางจริงเราก็ไม่เคยเดินในเส้นนี้เนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่นะเราอยู่กับความไม่แน่ถ้าจะถาม ผู้นำผู้นำก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันเป็นแบบไหนนะนั่นเราก็เรียนรู้การวางแผนเอ อ, อก็เดินเส้นทางนี้ก็เดินกันไปหรือบางทีก็มีการเปลี่ยนแผนบ้างนะหรือเปลี่ยนแผนบ่อยเออก็ลองเรียนรู้ดูบางทีก็ตามเหตุตามปัจจัยเนะเออว่าจะพักที่นี่ อ, อ้าเวลาเหลืออ่ะไปต่อหรือบางทีเพราะความลงทางเนก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางในแต่ละวันมันก็เป็นการเรียกว่าอยู่กับเหตุ <c oughs> อยู่กับปัจจัยในแต่ แต่ละวันนะเฉพาะหน้าไปนะชีวิตก็เออถ้าปรับปรับใจได้นะมันก็จะปรับตัวตามไปด้วยอ้อเอหรือบางทีเราก็สังเกตบางทีเราก็ปรับตัวของเราเองด้วยบางทีอ้อบางทีถ้าเราเดินเร็วเกินไปมันเหนื่อยมากเกินไปก็ต้องปรับตัวให้เดินช้าลงนะหรือเดินขึ้นเ ข, ขาแบบเนะี้ยเออเดินขึ้นเขาจังหวะเท่าไรถึงจะเหนื่อยน้อยนะหรือจะเดินไปได้เรื่อยเนะี่ย อย่างบางทีบางคนก็สังเกตตัวเองถ้าพักมากเออก็เครื่องติดช้าก็าจะไม่ค่อยพักเท่าไรหรือจะไม่นั่งพักแบบเ น, นียแล้วก็สังเกตตัวของเราเองหรือบางทีบางคนก็สังเกตเออถ้าเดินเฉื่อยเดินช้าเกินไปมันยิ่งอืด น, นะก็ต้องสปีดขึ้นมาสักหน่อยนะอันนี้เราก็ต้องปรับให้มันพอดีของเราเองนะแต่เชื่อว่าการปรับตัวนะปรับกายเนี้ย เราก็เรียนรู้จากการรู้เท่าทันใจของเราด้วยแล้วก็ดูดูสมรรถภาพของกายเราด้วยนาะทีอาตมาก็สังเกตเล่นๆ น, นะบางทีพวกเราอาจจะคล้ายๆเหมือนเหมือนกับรถยนต์นะมันเป็นรถยนต์หลายประเภทนะบางคนก็เป็นจรวดทางเรียบนะถ้าทางเรียบก็เดินได้เร็วนะหมือนเป็นรถเก่งนะทางตรงๆทางดีๆเนะี่ยเดินได้รวดเร็วรถเกง่งบางคนก็เป็นรถเอ่อพิกอัพนะ ปิกอัพโฟร์วิบ้างบางคนก็สองล้อกับเคลื่อนสองล้อธรรมดาบ้างเวลาขึ้นเขาบางคนไต่เขาได้สบายนะแต่ทางเรียบนี้ก็ไปได้เรื่อยธรรมดาอย่างอัตมาเนี่ยอาจจะเป็นรถปิกอัพสองล้อเออขับเคลื่อนสองล้อธรรมดานะทางตมก็ไปได้เรื่อยๆขึ้นเขาก็ไปได้เรื่อยนะไม่สามารถเอ่อมาแต่มาดุยได้มากแต่บางคนก็ชอบทางวิบากนะี พอเจอทางวิบากทางลุยเมื่อใ่ขอเป็นผู้นำขอประจนไปก่อนนำหน้าอาจจะเป็นรถวิบากหรือออฟโรดอยู่เนี่ยนะแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่ามันรถบรรทุกนะบรรทุกของหนักหน่อยก็ไปเรื่อยๆไปได้ช้าช้านะ ก, ก็แต่มันก็เป็นเรียกว่ามันก็ไปกันได้นะก็ไปกันได้นะ แตกต่างกันบ้างแต่ก็เรียกว่าค่อยๆไปกันตามสมรรถภาพของแต่ละบุคคลนะของแต่ละคนไปนะหรือบางทีบางคนแต่ละวันก็เปลี่ยนรถกันนะก็ขับเพื่อนแตกต่างกันไปบ า, บางวันเดินได้ดีอีกบางวันแรงตกไปเพราะว่ายางร้่วนเนี่ย ก, ก็ก็เปลี่ยนกันไปก็สนุกดีในการเห็นนะในเห็นความไม่เที่ยงทั้งจากเพื่อนเห็นความไม่เที่ยงจากตัวของเราเองด้วย นี่ก็เป็นเะรื่องที่ถ้าเราเรียนรู้อยู่กับความเรียกว่าความที่ไม่แน่นอนหรือความไม่เที่ยงของชีวิตจิตมันก็จะพร้อมที่จะเรียกว่าเปิดใจรับรู้กับความที่เรียกว่าไม่แน่นอนของชีวิตเพราะว่าถ้าจิตมันติดอยู่แต่ความสุขความสบายติดอยู่กับประดิหรือว่าติดกับสิ่งที่สามารถคาดการณ์หรืจัดการได้เนาะมันก็จะเรียกว่ามันก็บางทีก็เหนื่อยนะหรือบางทีก็เกิดการคาดหวังมากเกินไป เช่นถ้าเรา เ, ออเราก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าเรามาทวดดงมันก็ต้องเจอแบบนี้ถ้าเราอยากจะสบายอยากจะคาดหวังกับชีวิตได้เราก็อยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดสิใช่ไหมออรู้ว่าจะอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านเนี่ยนอนอุ่นนอนอิ่มกันนี้ได้กินมากได้กินอิ่มกันนี้หรือว่าไม่ต้องมาลำบากมากขนาดนี้แต่เรามาเรียนรู้กับชีวิตที่เรียกว่าลองอยู่กับความยากลาบาก ต้องฝึกฝนในสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้มันก็ทําให้เป็นอีเป็นโหมดหนึ่งของชีวิตที่เราได้อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ดูแล้วคิดว่าถ้าประสบการณ์ในการได้อยู่กับสิ่งอย่างนี้ยมันจะทําให้เราได้ปรับใจเวลาที่เจอภัยนะเป็นภัยที่อ่าที่อาจจะเกิดที่เกิดขึ้นจริงแน่ในชีวิตเราเช่นความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ชารา สุดท้ายก็ความตายนี่แหละที่จะมาเยี่ยมเยือนพวกเราในฐานะที่เราเป็นคนที่มีสังขารมีร่างกายมีความแก่เกิดขึ้นนะร่างกายสมรรถภาพน้อยลงนะเราจะอยู่อย่างไรนะมีความเจ็บเกิดขึ้นนะมันเคยเดินเหินคล่องเคยทํำนั้นทํานี้ได้วันหนึ่งเราจะเดินไม่ได้นะวันหนึ่งเราจะช่วยตัวเองไม่ได้ต้องให้คนอื่นช่วยเราจะอยู่อย่างไร หรือวันหนึ่งเราจะต้องพัดภาคจากโลกใบนี้ไปพัดภาคจากเพื่อนทั้งหลายสมบัติทั้งห ล, ลายที่มีไปเราจะเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเราจึงจะอยู่กับความเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะผมคิดว่าเนี่ยเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจในการฝึกฝนตรงนี้จะช่วยเราได้ถ้าเราเรียนรู้ที่จะปรับตัวปรับใจตามธรรมชาติตามเหตุตามปัจจัยจะทําให้ชีิตของเราเรียกว่ามันเหมือนสะเทินน้ําสะเทินบกนะอ่า จ ะ, จะขึ้นเขาจะลงห้วยนะหรือว่าจะดุยขนาดไหนก็สามารถปรับไดนะ้อันนี้คือเรื่องของการปรับใจนะนะแต่บางทีเรื่องป ร, ปรับกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการปรับใจนี้จะทำให้เราเรียกว่า อ, อ, อยู่ได้ยังไม่ทุกข์ใจนะหรือว่าทุกข์น้อยลงนะมีความสุขใจมีความสบายใจมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะได้จากประสบการณ์ของการเดินทุดอดงแล้วก็ที่จริงถ้าเราไปใช้ต่อในการใช้ชีวิต ต่ในที่บ้านหรือในที่วัดต่างๆก็ที่จริงมันก็มีความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนตัเนี้ยมาอยู่ในสิ่งที่อาจจะเหมือนคาดการได้คาดหวังได้แต่จริงเราก็ไม่สามารถคาดการหรือว่าคาดหวังหรือว่าจัดการได้ทั้งหมดหรอกล้วก็เออเรียนรู้แบบสนุกๆดูความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆดูใจที่มัน อยากจะจัดการภายนอกบ้างหรือดูใจที่มันอยากจะจัดการภายในมากาก็ดูตอนนี้ไปดูแล้วก็ดูแบบสนุกสนุกไปเพราะเห็นว่าไอ้สิ่งต่างๆนี้มันเป็นความความเรียกว่าความไม่พอดีของจิตนะความไม่พอดีของจิตแต่ที่จริงตัวที่จะจัดการจิตได้ดีที่สุดคืออะไรตัวสติและตัวปัญญานี่แหละมันจะจัดการแบบเรียกว่าระมุ่นระมอมอา่เอ า, เ, อาเรียกว่า Ios, destro, คมกรอบนะมันจัดการแบบไม่จัดการเพราะว่ามันเปลี่ยนโดยที่เรียกว่าไม่ต้องไปทําอะไรนะแค่รู้ทันกายรู้ทันใจจิ ต, จตมันเปลี่ยนไปเป็นปกติจิตมันเปลี่ยนเป็นความไม่ทุกเปลี่ยนแบบเรียกว่าเรียกว่าสมดุลที่สุดเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่จัดการดีที่สุดนะเป็นการจัดการแบบไม่ไดต้ตั้งใจจะจัดการนะเป็นการจัดการความทุกข์จัดการความหลงแบบเรียกว่า เปลี่ยนจากความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนจากความหลงกลายเป็นความไม่หลงะเปลี่ยนแบบเรียกว่าอืไม่เคยแบบเรียกว่าเป็นความสุขเป็นความสงบอย่างแท้จริง อ, อันนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราจะจัดการก็ขอให้สติแล้วก็ปัญญาเป็นตัวจัดการชีวิตแต่การจิตใจให้เกิดความสมดุลภายในในเป็นสิ่งที่สําคัญมากเนาะก็คิดว่า พวเราก็คงค่อยๆเก็บเกี่ยวเรียนรู้ประสบการณ์จากการเดินทางทั่วดงแล้วก็จากการเดินทางในชีวิตของเราต่อไปเพื่อจะได้เรียนรู้ในการเดินทางภายในนะจากจิตที่เรียกว่ามีความวุ่นนะให้มีความว่างจากจิตที่ไม่สงบให้มีความสงบจากจิตที่ทุกข์จะไปสู่จิตที่ไม่ทุกข์นะก็ฝากตรงนี้ไว้